อเมริกาได้ที่ที่ญี่ปุ่นได้เนี่ยที่คุณไปมาทั่วแล้วเนี่ยคุณต้องรู้ใจคุณเองก่อนคุณต้องรู้ใจคุณเองแล้วก็เป็นผู้รู้ไม่ติดไปไม่ไม่ติดไปไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปกดไม่เข้าไปดินล์ลนไม่เข้าไปผักใสได้แต่แค่รู้รู้อย่างเป็นอิสระรู้ซื่อเป็นอิสระอิสระรู้จักอะไอิสระรู้อย่างอิสระจากทุกสิ่งได้แต่แค่รู้ภ<ว>าษาอังกฤษว่าไงอิสระฟรีดอม โนเลสฟรีดอมโนโนฟรีดมคือมันเป็นความความรู้อย่างธรรมดาปกตินี่เลยเอาไม้ไม้บ้างไดไหมให้ก็อันไม่มีพิษต่อสองส้มตัวไม่ไปวางไว้เฉยๆเอาเปิดเปิดติดเปิดเปิดตุดไม่ดังดังเขาเขาก็ลังเทศสหมดทุกตัวเลยมันจะคล้ายๆเหมือนมีสับสองตัวอ่ะโนเลส ที่แปลว่าความรู้ก็คือรู้จากการเรียนแต่ว่าฟีลลิ่งมันมาจากมายความรู้สึกข้างในจากใจเข้าใจคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะพอจะแยกออกไห้รู้เลยรู้เนี่ยเอาง่ายๆคิมเนี่ยเอาอย่างนี้เนี่ย คิมเน่คิมอย่างนี้จะเรียกว่ารู้มันยังไงอ่ะอย่างเลาคิมนั่งเงี้ยรู้ไหมว่านั่งอยู่รู้แต่เวลานอนนอนนอนเงี้ยรู้ไหมว่านอนรู้ไม่ไม่ต้องเรียนเลยเด็กนักเรียนที่ไม่ต้องเรียนอ่ะรู้ไหมรู้เพราะอะไรเออมันเป็นธรรมชาติพ่อเขารู้ออกมารู้ออกมันแจกใจโดยไม่ต้องนัดนี่เวลาคุณคุณกินเนี่ยเวลาเกิดมาปุ๊บเวลากินข้าว ทำไมกินข้าวใส่ปากไม่เอากินข้าวใส่หูอะไม่เอาข้าวไปใส่หูไม่เอาข้าวไปใส่จมูกทาไมเอาข้าวใส่ปากก็ไข่ส้นเามีไข่ส้นะไข่ซี่เรามีซี่พิซซี่ซอพิซซี่แล้วทําไมเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยจึงมาใส่ปากทําไมไปไม่ไปใส่หูใช่ใช่ใช่นี่น่ยคําพูดนี่เนี่ความรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของคู่มากับกับกับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายสัตประสาททั้งหลายมันเป็นธรรมชาติแน่จรรย มันไม่มีไม่มีาภาษาก็ น, นี่ตอนนี้ไม่ต้องงง เ, เออ knowledge n feeling n have the mind have the heart so i o n come first the knowledge is in the heart the feeling in the mind อนไอไ อ, อ, อความรู้อย่างเนี้ยไอที่เราพูดนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นความคิดหมดเลย<ส>แล้วเมื่อกี้เรายกมือขึ้นเนี่ยเราบอกว่า ยกมือมอำมือลงยกมือขึ้นทามือลงรู้ไหมเ จ, อจอ้าตัวรู้ไหมรู้เพราะว่ามันเป็นอะไรธรรมชาติเ น, นเ่จริงเรอกอออมันเป็นมันเป็นธรรมชาติแล้วเวลาเนี่ยเรารู้ไหมว่าเรายังมีลเราไม่ใจอ่ะรู้ไหมเอออ ย, าย่างหนึ่งพารู้เพราะอะไรจริงรู้อ่ะเนเชอร์ลอนะ่านี่นะเนทุกอันตอบอะไรนะเ น, นเชอร์ลเหรอเนเชอร์ลเนเชอร์ล์เออเออเออตรงนี้เนีนเ่ยนะ น, น, น, น, น, นั่งนั่งยืน ยืนนี่รู้ไหมยืนก็รู้อ่ะแตนอนรู้อจะกระโดดจะวิ่งอะไรเนี่ยรู้ไหมรู้รู้หมาหมาเนี่ยหมาแมวเนี่ยเวลามันวิ่งมันนอนมันยืนมันรู้ไหมรู้เอมันรู้ไอความรู้เนี่ยทำไมมันรู้ได้ไไนนในเชิงรู้จไว้นะในเชิงรู้นะรู้ไหมว่ า, ายัยงยังหายใจอยู่ ร, รู้นะรู้ไหมว่านั่งนานๆเนี่ยนั่งนานๆเลยนะ เริ it, ่มเมื it, like no, With, it it. ่อยแล้วนั it, so right? yes. Then, ่งนั่งนานเนี่ยนั่งนั่งนานะมันเมื่อยแล้วมันเมื่อยรู้ไหมต้องต้องมาต้องรู้ต้องมาต้องมานั่งได้ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงต้องการเพียงแค่รู้ไหมว่าเริ่มเริ่ปวดหลังปวดเอวแล้วนั่งนั่งนานแล้วเริ่มปวดหลังปวดเอวรู้ไหมรู้รู้เอีเอีเวลายืนยืนปุ๊บหายปวดเลยใช่ไหมแล้วทำไมจึงรู้อ่ะเออในเฉลิมนะจำคนี้ไว้นะนี่นี่ร่างกายเนี่ย ยืนเดินนั่งนอนอย่างไรก็รู้หมดอ่บอกว่าทำไมจึงรู้ล่ะเ <Natural. S 1> อ่อ natural อ่ตัวนี้รู้ไหมยังมีลมหายใจอยู่ <Natural. S 1> รู้อ่า natural นะรู้ไหมว่านั่งนานจะปวดเมื่อยแล้วปวดหลังปวดเอวแล้วรู้ใช่ไหมรู้อ่เวลาพอยืนแล้วก็เลยหายเมื่อยทำไมจึงรู้ natural นี่ตัวนี้ละตัวนี้เวลาเราเนี่ยสบายใจไม่สบายใจ เวลาคลิปเนี่ยสบายใจไม่สบายใจรู้ไหมรู้ทําไมจึงรู้อ่ะ natural อ่านี่นีนี่ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วเห็นไหมเนี่แล้วเวลาเนี่ยเวลาคิดอะไรหรือไม่คิดอะไรรู้ไหมรู้ทำไมจึงรู้อ่ะจงจําคํานี้ไว้แล้วก็อยู่กับรู้ที่เป็น natural เนี่ยอย่าไปอยู่กับอย่าเอาใจไปอยู่กับร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอน อย่าเอาใจไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่าเอาใจไปอยู่กับไปอยู่กับปวดหลังปวดเอวปวดตัวหรือไม่ปวดอให้แค่รู้ให้แค่รู้อแล้วก็เวลามันไม่สบายกายสบายใจไม่สบายใจอย่าเอาใจไปอยู่กับความสบายใจไม่สบายใจให้แค่รู้ให้แค่รู้แล้วก็ถ้ามันคิดมันคิดหรือไม่คิดมันคิดอะไรทุกคิดทุกคิดให้แค่รู้อย่าไปเป็นคนคิด อย่าไปอยู่กับคิดอย่าไปเป็นคนคิดแต่ให้รู้ว่ารู้ทุกคิดแต่อย่าไปเป็นคนคิดให้เป็นรู้รู้ให้เป็นรู้แบบอะไรเออเชอร์รอลอ่าจําไว้แค่นี้เนะนี่นะี่เนี่ยรู้อย่างชเชอ ร, รนะ์รอลนี่เนี่ยคือทําแท้แทรู้แบบวา่าเอาใจไปทำเออใช่ใช่ให้เป็นรู้แบบอะไรนัชเชอร์รอลนี่นัชเชอร์รอลนัชเออนัชเชอร์รอลเนี่ยเนเชอ รู้อย่างธรรมชาติรู้อย่างธรรมชาติแล้วสังเกตไหมแล้วสังเกตไหมที่เป็นรู้อย่างธรรมชาติอันนี้สําคัญนะที่ว่าที่ทํําทารู้อย่างธรรมชาติเนี่ยรู้อย่างธรรมชาติเนี่ยมันมีไม่ว่าอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอาอันเนี้ยมันเลือกได้ไหมไม่ได้ไไดเพราะมันเป็นอะไรก็ในเชรอรคอ่าเด็กเขบอกว่าเพราะมันเป็นธรรมชาติที่เลือกไม่ได้เห็นไหมมันเป็นธรรมชาติที่เลือกไม่ได้ จงจาไว้อยู่กับรู้อย่างธรรมชาติที่ไม่อาจเลือกได้และตัวมันเองเนี่ยมันคิดปรุงแต่งอะไรได้ไหมไม่ได้มันได้แต่อะไรเออเร์มันได้แต่รู้อย่างเป็นปกติตามธรรมชาติจบแล้วแค่นี้นี่แนจบแล้วไม่่ไอไอทมไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรนออไม่ไม่ไม่ม่ไมไมพูดไหน I have one question ไม่ใช่ question ของอนะเอเคยไป what บ่อยๆมีมีเะมังชอบฟู่ยูแก่แก่อะไรอ่ะเขาจะพิจารณาเอาเอาเอาภาษาอังกฤษก็ได้มีคนแปลเดี๋ยวมีคนแปลเอาเอาไม้เอาไม้ให้ยุทุกยูมีสองอย่างหรือแลนก็แปลทุกใจแตทุกไก่เขาบอกว่าทุกไก่แก้ไม่ได้ทุกใจแก้ได้ว่าอิสตมีว่าหกพุนมาจากไหนยูมีสองอย่างทุกก็กไหมทุกมีสองอย่างนี่ไม่ใช่กระเชน้องไนะไม่ใช่ของไ มีมีคุณคุณหลวงพ่อเยอะเขาคุยอ่ะเราทุกมีสองอย่างคุกกายกับุกใจบักทุกใจอ่ะเราแก้ได้บักทุกไก่เนินไก่เราแก้ไม่ได้ทิพุ้นทำไมแก้ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเนเจอร์นะ <laughs> I อ e e ซีเมนี้พี่ก็ถามนี question ไม่ไม่ได้วางมันจะวาไว้ what is the meaning i i loss when this when t h s e two question come in in in the Buddhism you know. a y a k a j a p a n tham aja nae you know. Why Khun Thai bein Buddhist h i s you you know that in in Buddhism, everybody suffer. n a t s u r a This is natural, but ในบูติสต์มไทยแล n ด์ชอ teaching เองเนทุกมีส่งอย่างทุกกลกับทุกใจทุกใจเขาบอกว่าแก่ได้ meditation แก่ละทุกกาแก้ไม่ได้แล้วสมมติอยู่บอกว่าเราเป็นเรามีสีอย่างเราต้องเกิดแก่ปุยต so what is the difference between these two concept uh, you say you can แก่แก่ใจทุกข์แก่ใจไม่ได้ but you go back to the basic principle of Buddhism there's four basic y ู u ต้อง you ต้องเกิด y ู u ต้องแก่ y ู u ต้องป่วย y u ต้องตาย so is it the two two conception you know very contradicting maybe I would like him to teach me you know in, in Thai you help me to explain g o okay. คือคำถามที่หนึ่งคือคือเอเอาอย่างนี้คิมเมื่อกี้ที่หลวงตาสอนคิมเนี่ยให้รู้อย่างเป็นธรรมชาติเข้าใจแล้วใช่ไหมตอนนี้ที่คิมเอาคำถามของคนอื่นมาถามเนี่ยแต่เอาคาถามของคนอื่นมาถามใช่มใมัหพ่านัหงนทะุกท um, ี่ไปทุกวัดทุกหวอเออ่ว่เาไทงาทุกททุกคนเาค เียนอาจารย์สอนเราเป็นเราเป็นพุทธเราไม่เสี่ยงทุกเสี่ยงใช่ไหมเราต้องเกิดเราต้องแก่เราต้องป่วยเราต้องตายแล้วทําไมมีอีกสองข้อบอกว่าเราต้องทุกข์ใจกับทุกข์กายประทุกใจเขาบอกว่าร่างสมาธิเราแก้ได้ทุกข์ใจทุกข์กายเราแก้ไม่ได้ so what is the concept between Buddhism in the basic four four basic you k and these two basic What is the definition? Definition between these two. Because in my Zen learning, you know, uh, we don't have anything that you can take away from suffering. It's natural. So to me, it's very conflicting. You know, I do, I don't understand. <laughs> I get lost. Ah, uh -huh. uh, today, Kim. Nah, uh, Kam. Ask a l ง the questions that Kim asked, q u e s t i e If Kim understands now, what will Kim e จะตอบคำตอบได้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยคําของหลวงพ่อทุกองค์มาถ้ามีคําถามอย่างเนี้ยจะตอบยังไงทุกกายทุกใจแล้วจะแก้ยังไงก็จริงๆเราต้องทุกข์แล้วอ่ะแล้วแต่อยู่ทุกข์ใจเราทุกขกายต้องทุกข์อ่ะกแก้ไม่ได้ถูกต้องทาไมมีมีมีมีมีหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเอาเราเองเอาเราเองแล้วก็ไอรู้จักแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แต่เว้นคุณอ่ะ คุณธรรมดาคุณธรรมดาไม่ใช่เหมือนไอ้เขาหลงนะเขา l o อ s เขาหลงแล้วไอ้อยาอธิบายให้เขาฟังอ่ะอธิบายไม่เป็นอ้าวก็รู้ออกมาจากใจแล้วก็อธิบายจากใจนี่อ้บใจเขาเาเาบอกว่าเขาไม่เาไม่รู้เลยเขาอยู่ไม่ใช่คุณท้าย You ยินแล้วอันเดอร์สตนเนี่ยเดี๋ยวนีอย่าวางไม่เเราเนี่ยพอรู้ออกมาจากใจเดี๋ยวเราไปไปสอนให้คนทั้งโลกเข้าใจได้ สอนออกมาจากใจแล้วก็ตอบปัญหาออกมาจากใจตอบปัญหาออกมาจากใจไม่ต้องจำใครมาก็ออกมาจากใจรู้ออกมาจากใจรู้ที่ใจเด็กส้อไอเนี่ยพี่เพื่อน q ่ e s t i